ก็คือความรู้แจ้งความรู้แจ้งคือจิตต้นกําเนิดดั้งเดิมซึ่งปราศจากรูปถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ผู้กระทําและสิ่งที่ถูกกระทําคือจิตและวัตถุเป็นของสิ่งเดียวกันนั่นแหละจะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและลึกหลับเหนือคาพูดและโดยความเข้าใจอันนี้เองพวกเรา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 ก็เปลี่ยนแปลงแยกออกจากกันไปคงเหลือแต่น้มว่างที่ปราศจากรูปนี้เป็นจุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปน้ำต้นเหตุเกิดรูปน้ำของจักรวาลเป็นเหตุเกิดรูปน้ำพิภพต่างๆ ต, ตลอดดวงดาวอันนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดรูปน้ำพิภพต่างๆเป็นเหตุให้เกิดรูปน้ำพื้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 ซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดมาจากที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุลีทุกข์อันเป็นทุลีทุกข์ที่มนุษย์ธรรมดาผู้มีจิตหยาบเกินกว่าจะสัมผัสมันว่าเป็นทุกขและกระบวนการการกระทําจิตตนให้ถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรดนี้นั้นเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นยอดแห่งาศาสดาในโลกเท่านั้น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 พระราชุทาจารย์หลวงพุดูลอตตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์